สิขาบทที่15เรื่องพระชาพคี653สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชาพคีถ่ายอุจจระบ้างปัดสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำพวกชาวบ้านจึงพากันตำหนิประนามโพลธนาว่า ฉนัยพระสัมมาสัชเชื่อสายสักยบุตรจึงถ่ายอุจจาระบ้างปัดสาวาบ้างบ้วนน้าลายบ้างลงในน้ําเหมือนพวกขรหัดผู้บริโภคการเล่าพวกพิสูจได้ยินชาวบ้านตําหนิ่ประนามพลธ น, นาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตําหนิ่ประนามพลธ น, นาวา่าฉนัยพวกพิสูจชาวบัีจึงถ่ายอุจจาระบ้างปัดสาวาบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในาน้ํานเล่าครัน้นภิกษุทั้งหลายตําหนีพวกพิสูจชาวบัีโดยประการต่างๆ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 สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชาวพัีจบเรื่องภิกษุผู้เป็นไข่หกร้อยหสมัยนั้นพวกภิกษุผู้เป็นไข้ยำเกรงอยู่ที่จะถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้าลายบ้างลงในน้ําจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอริยญาติภิกษุผู้เป็นไข้ลําดับนั้น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 หรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเรื่องภิกษุผู้เป็นไข้จบสิกขาบทวิพังภิกษุไม่เป็นไข้ไม่พึงถ่ายอุจาระปัดสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อไม่เป็นไข้ถ่ายอุจาระปัดสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำต้องอบัตทุกกดอนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. พภิกษุผู้เป็นไข้ 5. ภิกษุถ่ายบนบกแต่ไหลลงน้ำา6ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 7. จภิกษุวิกลจริต 8. พภิกษุจิตฟุ้งซ่าน 9. กภิกษุถูกเวทนาบีบคั้น 10. พภิกษุต้นบัญญัติสิขาบทที่ 15. จบปาทุ ก, กาวักที่ 7. จบ